book 2 59 59 2> ที่ทําการไปรษณีย์ Nos Correios ที่ทําการไปรษณียที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Onde um é o correio mais próximo?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 ถ้าส่งไพรณีน่ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ไปอเมริการือไพัสดุหนักเท่าไหร่คุณต้องการใ่งไปยังสหรัิฉพันสกเท่าไหร่คุณองการให้่งไยงหมริกา o รือสดุหนัก่าไหรการให้งไหัเมราดนเท่าไหร่อกาให้่ไหเมริกาพัสดุนัเท่าไหร่้องกา่ไปยังสหรัฐอเมริกาหรม่พัสดุหนักเทไหร่ง ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนบนเดกบอสทุฟนาร์ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนบนดียแคบินโทรฟนิกาเมสพรซิมาคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะเท็นเร์ตอนส์เลฟนคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะเท็ูมาลิสต์ทลิฟนิกา คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะสอบสายไม่ว่างตลอดเวลาสายม่วตเวล่อดเวอดเวลาสายางตอดสายไม่ว่างตลอดเวลาอดลาเอสตาเมอาดาต่อเออไ คุณต้องกดศูนย์ก่อน